สวยสุขเวทนามีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาไม่มีอามิ t เสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตร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 ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตปุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตปุ้งซ่านเมื่อจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตะเมื่อจิตไม่เป็นมหคตะก็รู ừ, sweating sweating ้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะ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 เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าจิตมีก็เพียงสักว่าเอาไวร้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้ายิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เสมอ